ข้อความในมหาปรินิพพานสูตรหน้า3า0สสข้อหนึ่งหกล่าวถึงที่นึกถึงสถานที่นะที่มะกุฏพันธนะเจดีคือสถานที่ประชุมพระเพลิงพระผู้มีพระภาคสมัยนั้นมนลปามโมกสี่องค์สะสงกล้าวหมายว่าสะผมอาบน้ำแต่งตัวเป็นอย่างดีเนี่ยนะนุ่งห่มผ้า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 เจ้ามาลเมืองกุสินาราก็ได้ถามท่านพระอนรุธะว่าท่านพระอนุรุธะอะไรหนาเป็นเหตุอะไรหนาเป็นปัจจัยที่ให้มละปาโมกสี่องค์เหล่านี้ผู้สะสมกล้าวแล้วนุ่งผ้าใหม่ด้วยดาริว่าเราจักยังไฟให้ติดจิตตะกาานแต่ก็ไม่อาจจะให้ติดได้ท่านพระนรุธะก็กล่าวว่าดูก่อนวาสิทธาทั้งหลายพวกเทวดามีความประสงค์อย่างหนึ่ง เรคิดกันคนละอย่างกับเทวดามันเงินมละปามโมกก็ถามว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญพวกเทวดามีความประสงค์อย่างไรคือเทวดาต้องการอย่างไรพระอนุรุธาก็ตอบว่าพวกเทวดามีความประสงค์ว่าท่านพระมหากัสปะนี้พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณห้าร้อรูปท่านกําลังเดินทางจากเมืองปาวามาสู่เมืองกุสินารา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 นในอันตกาถาหน้า453 3. บรรสามัดล่างบอกว่าเทวดาผู้เป็นอุปถาของพระมหากัสปะเทระความจริงเพราะจิตเลื่อมใสในพระสีติมหาสาวกเนี่ยนะตระกูลที่อุปถาประมาณแ0ดหมื่นตระกูลของพระมหาสาวกเหล่านั้นก็บังเกิดในสวรรค์เพราะน้นกลุ่มกลุ่มอุปถาของ พระสาวกทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะก็ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์พันพระเทวดาเหล่านั้นจึงเลื่อมใสอย่างยิ่งในพระเถระเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะเป็นผู้ที่เหมือนกับว่าหยิบยื่นประตูสวรรค์ให้กับตัวก็เลยเลื่อมใสในผู้ที่ให้สวรรค์สมบัตินี้มากก็เลยปรารถนาว่าเอ้ในสมาคมพระภิสูตทั้งเป็นเจ 0,000 รูปเนี่ยนะในดีกาพระวินัยกล่าวไว้ว่าพระพิสูตที่มาร่วมงานถวายพระศริระของพระพุทธเจ้าประชุมเพลิงเนี่ยนะ ตอนนั้นเนี่ยประมาณเจ็ดแสนรูปแต่ขณะนั้นไม่มีพระมหากษสปะอยู่เลยคิดว่าพระเทระประจําตระกูลของพวกเราไปเสียที่ไหนหนอก็เห็นว่าพระมหากษสปะกําลังเดินอยู่ระหว่างทางก็พากันอธิฐานว่าเมื่อพระเทระประจําตระกูลของพวกเรายังไม่ได้ถวายบังคมพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอจิตกาธานอย่าเพิ่งติดไฟเลยอธิฐาน ย, ยังไม่ต้องติดหรอกเหมนน ให้พระมหาคสปะกราบก่อนก็เป็นอย่างนี้นะสมัยก่อนเนี่ยคนอินเดียก็ไม่ใช่น้อยเลยเ ข, เขาเขาเลื่อมใสในพระอุปนันท h มากฉะนั้นตระกูลเนี่ยเขาจะนิมนต์พระพิสุไปฉันเยอะแต่ว่าต้องมีพระอุปนัน t h ด้วยรูปหนึ่งนี่พระอุปนันท h เนี่ยความที่ท่านเป็นเป็นคนที่แบบคนอุปถัมภ์เยอะมากะนะกว่าโยมบ้านหนึ่งจะนิมนต์ไปบ้านหนึ่งเนี่ยกว่าจะเดินไปถึงบ้านนั้นเอาแวะบ้านอื่นเยอะไปหมดเลย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 เออองนี้พิเศษยังไงเนาะเป็นพระเถระที่รูปร่างเป็นยังไงดำหรือขาวสูงหรือเตี้ยเมื่อพิสูจน์เหล่านี้ดำรงอยู่ทำไมพระทศพลจึงประเทศนี้ผ่านดังนี้บางพวกก็ถือของหอมดอกไม้เดินสวนทางมาบางพวกก็ตกแต่งถนนสำรวจทางที่พระหมหากระสามาเรียกว่าพวกสอดแนมไปดูเลยเมื่อไหร่องนั้นจะมาสักทีหนึ่งง้รอกันอยู่นั่นแหละ ทีนี้ในหน้า331าดลำดับนั้นท่านพระมหากระสปะเข้าไปถึงมกุฏพันธนะเจดีของพวกเจ้ามาละในกรุงกุศินาราและถึงจิตตกาธานของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วครันเข้าไปแล้วก็ทำจีวอนเฉียงบาข้างหนึ่งเรียกห่มผ้าเฉียงบาเนี่ยนะประคองอัญชลีทั้ง10นิ้วกระทำประทักษิณพระจิตตกาธานสามรอบ เสร็จแล้วก็เปิดพระบาทเอ่อเปิดทางพระบาทเนี่ยหมายว่าลงก็แยกออกมาเนี่ยไอ้ตั้งก็แยกออกมาพระบาทพระพุทธเจ้าก็โผล่พลมาพระเถระก็ถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียนกล่าวแม้ภิกษุ500รูปเหล่านั้นกระทําจีวรเฉียงบาปประนมอัญเชลีกระทําประทักษิณสามรอบแล้วถวายบังคมพระบาทขอพระบาททั้งสองของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล่าว เราคำว่าอธาโขอายสมามหากัสโปเยนะกุสิณาราเปศิรสาวันดามติไอวันดินี่นะความว่าได้ยินว่าพระเถระกระทําประทักษิณจิตตกาทานพรางรำพึงกําหนดว่าตรงนี้พระเสียรตรงนี้พระบาทจากนั้นพระเถระก็ยืนใกล้พระบาททั้งสองแล้วก็เข้าจตุทชาญนะเข้าจตุทชาญที่เป็นบาทของอภิญญาออกจากฌานแล้วก็อธิษฐานว่า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 โผ่ออกมาประหนึ่งจันท์เพนออกในระหว่างพลาหกในรกักวัฏ พ, พุทธบาตรโผล่ออกมาเหมือนอะไรเหมือนดวงจันทพ้นเมฆหมอกอนะพระเถระก็เหยียดมือทั้งสองเสมือนดอกปทุมบัวแดงเหมือนดอกบัวแดงที่คลี่บานแลว้วจับพระยุคลบาทของพระาศาสดาที่มีสีเหมือนทองคําจนถึงข้อพระบาทอวะให้มั่นประดิษฐานไม่เหนือเสียงกล้อาวอันประเสริฐของตนเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวอย่างนี้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 อัสดงคตมหาชนพาการร้องให้ยกใหญ่หน้ากรุณายิ่งกว่าครั้งปรินิพานตอนปรินิพานเนี่ยมีแต่พระภิกษุอยู่ในวงมันตอนที่พระพุทธบาทโผล่ออกมาเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ปลุกเข้าไปอีกครั้งหนึ่งไอ้ตรงเนียมหาชนเนี่ยร้องให้กระหมึมว่าครั้งนี้เรียบร้อยแน่เนี่ยนะเพลิงลุกแน่เมื่อท่านพระมหากษะสปะ เทระและภิกษุห้ารอยรูปนั้นถวายบังคมแล้วจิตตกาทานของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็โผลงขึ้นเองอันนี้ด้วยเทวานุภาพนะเมื่อพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าถูกเพลิงไม่อยู่อวัยวะส่วนใดไม่ว่าจะเป็นชวีก็คือผิวจำมะคือหนังมังสะเนื้อนหารูเอ็นหรือพระลากิกาไขาข้อเท่าเขมเแห่งพระอวัยวะเหล่านั้น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 เท่าเมาแห่งพระอวัยวะส่วนนั้นไม่ได้ปรากฏเลยเหลืออยู่แต่พระสรีระอย่างเดียวฉะนั้นเหมือนกันทีนี้บรรดาผ้าห้าร้อยคู่เหล่านั้นเพลิงไหมเพียงสองผืนเท่านั้นคือผืนที่อยู่ข้างในสุดกับข้างนอกสุดนะสองร้อยอขอไปสี่ร้อยเก้าสิบแปดคู่ที่เหลือไม่ไหมอะไรเล ย, ยที่อยู่ตรงกลางนะเพราะฉะนั้นเมื่อพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าถูกเพลิงไหมแล้วท่อน้ า, นา ก็หลั่งไหลมาจากอากาศดับจิตตกาทานของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วไฟมาจากอากาศแม่น้ำก็พุ่งจากไม้สาละมาดับจิตตกาทานของพระผู้มีพระภาคเจ้าสิ่งเหล่านี้ก็ด้วยเทวานุภาพนนะพวกเจ้าเมาละเมืองกุสินาราก็ดับจิตตกาทานของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยของด้วยน้ำหอมทุกชนิดนนะในอัตกถาบอกว่าคาว่า สมะเยวะพระควะโตจิตตะโกปัจชะเละนี้ท่านกล่าวด้วยอำนาจมองไม่เห็นใครๆผู้พยายามจะติดไฟก็จิตกาธานนั้นติดพึบเดียวโดยรอบด้วยอนุภาพของเทวดาบทว่าสรีราเนวะอวสิสิงสุความว่าเมื่อก่อนได้ชื่อว่าสรีระเพราะตั้งอยู่โดยโครงร่างเป็นอันเดียวกันบัดนี้ท่านกล่าวว่าสรีระทั้งหมดกระจัดกระจายไปแล้วอธิบายว่าพระธาตุทั้งหลายก็เสมือนดอกมะลิตูม น, นะเหมือนดอกมะลิตูมอ่ะนะเหมือนแก้วมุกดาที่เจรไนแล้วเสมือนจุนทองคำที่ยังเหลืออยู่เหมือนผงทองอ่ะนะจิงอยู่สศรีระของพระพุทธเจ้าผู้มีพระชนมายุยืนย่อมติดกันเป็นพืชเช่นกับแท่งทองคำส่วนสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอธิษฐานให้พระาธาตุกระจายว่า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 ตั้งคำถามว่าพระาธาตุอย่างไหนหรือส่วนไหนของพระองค์กระจัดกระจายพระาธาตุส่วนไหนไม่กระจัดกระจายตอบว่าพระาธาตุเจ็ดแห่งเหล่านี้ไม่กระจายคืออะไรพระเขี้ยวแก้วสพระราคขวันคือกระดูกไหลปลาราเนี่ยนะสองแล้วก็พระอุณหิตคือตรงตรงหน้าผากนะตรงหน้าผากนี้ก็ไม่กระจัดกระจายนอกนั้นกระจัดกระจายหมดบรรดาพระาธาตุเหล่านั้นพระาธาตุเล็กๆทั้งหมดเนี่ยนะมีขนาดเล็กที่สุดเท่ า, มาเมล็ดพันุประกาศ ขนาดใหญ่ขนาดคร่าวว่าพระธาตุใหญ่เนี่ยขนาดเท่าเมล็ดข้าวสารหักกลางคร่าวว่าใหญ่กว่านั้นขึ้นพระธาตใหญ่อย่างยิ่งก็ขนาดเท่ากับเมล็ดถั่วเขียวหักกลางอันนี้ก็คือลักษณะพระธาตุที่ว่ากระจกระจายออกไปนั้นใหญ่เท่าไหร่ mm hmm. เมื่อพระสรีระของอเมื่อลำดับนั้นเนี่ยนะเมื่อที่เรียกว่าพระธาตุเนี่ยดับ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 พระทาบโดยรอบเสร็จแล้วก็สักการะคารบนับถือบูชาพระศิรรระของพระผู้มีพระภาคเจ้าทําบุญเจริญกุศลอยู่เจ็วันด้วยการฟ้อนรำขับร้องประโคมด้วยดอกไม้และของหอมเนี่ยบบูชาที่สุดเท่าที่จะบูชาได้ทีนี้ฝ่ายพระเจ้าแผ่นดินพระนามว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยนะเวเทหิบดเจ้าผู้ปกครองแผ่นดินมคตเนี่ยนะเมืองราช ค, ครึก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 เราจากได้ทำสถูปและทำการฉลองพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้านะ